สวัส ด, ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตฟิลิสเตีย180ตอนคนรวยกับคนจนตอนที่สองครับพระจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่16นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของคนรวยกับคนจนก็คือเท็ดีกับลาสันัสวันนี้เราจะมาดูต่อนะครับตั้งแต่ข้อที่25ถึงข้อที่31โปรดฟังพจะนะของพระเจ้า ในอับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตยอยู่เจ้าได้ของดีสำหรับตัวและลาสลัสดได้ของเหลวแต่เดี๋ยวนี้เขาได้รับความแล้าหลวมแต่เจ้าได้รับความแสนระถมนอกจากนั้นระวังพวกเรากับพวกเจ้ามีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่เพื่อว่าถ้าผู้ใดปรารถนาจะข้ามไปจากที่นี่ถึงเจ้าก็ไม่ได้หรือถ้าจากข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ไม่ได้ เศรษฐีนั้นจึงว่าบิดาเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นขอท่านใช้ลาสลัสไปยังบ้านบิดาของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีพี่น้องห้าคนให้ลาสลัสเป็นพยานแก่เขาเพื่อไม่ให้เขามาถึงที่ทรมานนี้แต่อับราฮัมตอบเขาว่าเขามีโมเสธและพวกผูกเผยพระั้ น, นแล้วให้เขาฟังคนเหล่านั้นเถิดเศรษฐีนั้นจึงว่าไม่ได้อับราฮัมบิดาเจ้าค่ะ แต่ถ้าคนหนึ่งจากหมู่คนตายไปหาเขาเขาคงจะกลับใจเสียใหม่อับราฮัมจึงตอบเขาว่าถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและพวกผู้เผยขอพระชนะแม้คนหนึ่งจะเป็นที่มาจากความตายเขาก็ยังจักไม่เชื่อพี่น้องครับพระยเจ้าก่าอนนี้มีความหมายหลายประการและมีบทประยุกต์ใช้ในชีวิตของพวกเราหลายประการด้วยครับแล้วขอต่อนะครับจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้จบลงในข้อที่ยี่สิบ ครับเศรษฐีจึงร้องว่าอา布拉บิดาเจ้าข้าขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิดขอใช้ลัค ก, กัสมาเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน้ํามาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็นด้วยว่าข้าพเจ้าตรําทุกท ร, รมานอยู่ในเปลไฟนี้เศรษฐีนั้นได้พบกับของจริงครับก็คือหลังจากที่เขาตายไปแล้วแสดงว่าของที่เราเห็นกันอยู่ในโลกนี้นั้นไม่ยั่งยืนถาวรครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นลมหายใจ ไม่ว่าเป็นสิ่งองต่างๆที่เราจะสมไว้นะครับเจษฎีขอร้องอ布拉ห์ทำจากนรนรกว่าให้ส่งราสลัสมาช่วยเขาในข้อยี่สิบครับเขาต้องการให้เอาให้ราสลัสนเอานิ้วจุ่มน้ําเย็นมาแตะที่ลิ้มของเขาในเหตุการณ์กับรงนครามในโลกมนุษย์เจษฐีไม่เคยสนใจแม่แต่จะมองดูชายคนที่มีบาดแผลเต็มตัวคือลาสลัสคนนี้แต่ตอนนี้เขาอยากเขากลับอยากให้ราสลัสคนนี้ ที่เขาเคยรู้จักเขาเคยรู้จักหน้าบ้านที่ก็ไม่เคยมองไม่เคยคุยหรือใช้ชีวิตดูถูกเขาตลอดมาต้องการตอนนี้ต้องการอยากให้เขาใช้นิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นพี่น้องครับเห็นภาพที่หน่าสันสมเพศหน้าสังเวชไหมครับตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เศรษฐีคนนี้มีชีวิตแบบไอเอ็นครับ แต่ขณะที่เขาตายไปแล้วชีวิตของเขานั้นน่าสงสารยิ่งนะยังไงก็ตามอย่าลืมว่าในสวรรค์ครับาราซาลจะไม่เป็นง่อยหรือเป็นแผลทั่วตรวยต่อไปหรืออดอยากจากจนอีกต่อไปอัประหัมก็เตือนเศรษฐีครับว่าขณะที่เขาอยู่ในโลกนั้นเขามีสิ่งดีครอบครองมากมายและทรัพย์สมบัติของเขาไม่สามารถใช้ในโลกหน้าได้ทรัพย์สมบัติของเขาไม่สามารถซื้อเวลาในสวรรค์ ได้แม้แต่วันเดียวเนื่องจากเขาเป็นคนอธรรมเขาเป็นคนที่หลงหายไปดังนั้นเขาจิงต้องตกลงไปอยู่ในบึงไฟนรกส่วนขอทานยากจนที่นอนตรงประตูรั้วบ้านของเศรษฐีมีสิ่งเดียวที่มีค่าในชีวิตของเขาก็คือความเชื่อและความไว้วางใจของเขาเรารู้ว่าขอทานลาสรัสเป็นคนที่ไว้วางใจพระเจ้าเพราะเหตุว่าเขาจากลงนี้ไปแล้วเขาปอยู่ที่อ้อมปกของอับราฮัม ทูวสวรรค์พาเข้าไปสวรรค์เมื่อเขาเสียชีวิตและสถาน ท, ที่ที่เขาไปก็คือเป็นลักษณะของสวรรค์นั่นเองอับราฮัมยังได้บรรยายลักษณะของสวรรค์ลและนรกไว้นะครับในข้อที่ยี่สิบหกท่านได้บรรยายอย่างนี้ครับว่าระหว่างพวกเรากับพวกเจ้าหมายถึงพวกของอับราฮัมกับลาทรัสกับพวกเจ้าก็คือพวกที่อยู่ในนรก มีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่เพื่อว่าถ้าผู้ใดปรางทนาจะข้ามไปจากที่นี่ถึงเจ้าก็ไม่ได้หรือถ้าจะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ไม่ได้แสดงว่ามีการแบ่งแยกดินแดนไปครับัยก็ตามไปอย่างแต่ละที่แล้วไม่สามารถมีโอกาสข้ามแดนไปมาระหว่างสองแดนนั้นเลยเลยนั่นคือสภาวะความเป็นนี่รังครับสภาวะที่อยู่ในแดนของผู้ตาย ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความทุกข์ยากลาบากดินแดนแห่งการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกับดินแดนแห่งเมืองบอมบอมอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมนอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบนมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบอนบอมอมอมบ่ ม, มบ่ น, น, อ น, น, อ น, น, อนบอนนนมบอมบอมบบอมบบอมบออมบมบอมบอมบอมบอมบอมบอมบไมไเนนรรบเมบอมอมบอมบอมบบอมบอมบอมอมบอมอมบอมบอมบมบอมบอมบให้อบหมบอมบอมบอมบ และไปที่บ้านบีดาของของตัวเองนะครับพี่น้องครับเศรษฐีนั่นเชื่อว่าถ้าราชรัชได้ไปบอกพี่น้องของเขาห้าคนนะครับที่ยังมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้พี่น้องเหล่าเนี้ยอาจจะเป็นคนที่เศรษฐีได้เก็บเงินและ จ, จับสมบัติไว้ให้เขาใช้นะครับเศรษฐีก็รู้สึกว่ารักพี่น้องของเขามากอยากจะให้ราชรัชฟื้นขึ้นไปแล้วไปบอกพี่น้อง ว่าสิ่งที่เศรษฐีเจออยู่ในขณะนี้คืออะไรอภรร hg ก็เลยเตือนเขาในข้อที่สองว่าแท้จริงแล้วมีพระบัญญัติและผู้เผยพระนะได้เตือนประชาชนเกี่ยวกับการที่ภาคสาหลังความตายแล้วเศรษฐีเองก็ได้ปฏิเสธพระคัมภีเดิมและพี่น้องของเขาจะแตกต่างจากเศรษฐีได้อย่งไรนอกจากเขาจะกลับใจใหม่ะเชื่อฟังข่าวประเสริฐเชื่อฟังผู้พยากรณ์ผู้เผยพระชนะเชื่อฟั ง, ฟงพระคัมภีร์ เชื่อความข้อบัญญัติของพระเจ้าในท้ายที่สุดครับเศรษฐีเองก็พยายามที่จะขอให้ช่วยพี่น้องเขาจากการที่ต้องตกอยู่ในชะตากรรมอย่างเดียวกันโดยหวังว่าถ้าพวกเขาเห็นหลักลาสพื้นขึ้นเหความตายพวกเขาจะเชื่อครับพี่น้องครับหลักฐานที่ปรากฏครัดต่อมาก็คืออีกไม่นานหลังจากที่เปียซูส่งเล่าคําอุปประมาณนี้มีชายคนหนึ่งเป็นขึ้นเหนือความตายครับ และชายคนนั้นก็ชื่อลาซารัสเหมือนกันครับแต่เป็นลาซารัสซึ่งเป็นน้องชายของมารีและมาธาพระเยซูทรงชุบน้องชายของมารีมาธาลาซา ร, ารัสผู้นี้ให้เป็นเสด็จความตายจากอุมโมงค์ฝังศบเลยครับหลังจากที่ลาซารัสตายไปหลายวันแล้วแต่พี่น้องเห็นไหมครับว่าการอัศจรรย์เหล่านี้นะครับที่พระเยซูทำไม่ได้ทำให้พวกปริศีเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นบุตรของพระเจ้าเลยแม้แต่น้อย การตัดกาเหล่านี้ไม่ได้ทำให้พวกไคอร์สีเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเลยแม้แต่น้อยทีนี้นครับเราเห็นได้ว่าในคำอุปมานี้พระเยซูกำลังแนะนำว่าเศรษฐีนั่นเป็นสัญลักษณ์ของพวกไคอร์สีครับเป็นพวกที่น่าพื้นใจกดพวกเขาไม่เชื่อพระกัมภีร์พวกเขาไม่เชื่อการอัศจรรย์ในหมายสำคัญที่พระเยซูทำพวกเขาไม่เชื่อความคำสั่งสอนของพระเยซูดูเหมือนว่าพวกเขาเชื่อธรรมบัญญัติของโมเสส แต่ในขณะเดียวกันเขาปฏิเสธผู้ที่จะมาทําให้ธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์เศรษฐีถูกตําหนิไม่ใช่เพราะความมั่งมีของเขาครับเพราะความมั่งมีไม่ได้ช่วยผลรอดในขณะเดียวกันครับความมั่งมีอาจจะกลายเป็นอุปสรรคที่ทําให้คนไม่ยอมถ่อนใจความมั่งมีอาจจะกลายเป็นอุปสรรคที่ทําให้คนนะั้นมีความรู้สึกว่าเขาเพียงคอแล้วแต่การที่เขาถูกตําหนิเพราะเขาไม่ได้แบ่งปันให้กับคนยากจน ไม่ได้แสดงออกถึงผลแห่งความเชื่อความศรัทธาของเขาในพระเจ้าไม่ได้เชื่อฟัง พ, พระบัญญัติของพระเจ้าในการที่จะให้ช่วยเหลือคนยากจนคนยากจนนั้นไม่มีอะไรเลยครับนอกจากความเชื่อพระเจ้าให้คนยากจนในโลกนี้ร่ํารวยด้วยความเชื่อครับแต่พระเจ้าได้ให้เรารู้ว่าคนร่ํารวยในโลกนี้จะรอดก็ยากเหมือนกับอูดรอดรูเห็น พระเยซูต้องการพวกฟริสีรู้ว่าท่าทีและการกระทำของเขาเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในโลกนั้มีความสําคัญเพราะเหตุที่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะตัดสินชีวิตในอนาคตซึ่งเป็นชีวิตในหลังของพวกเขาข้อพิมพ์ทีต่อไปนี้นะครับผมอยากจะนํามาสรุปเพื่อที่จะให้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่พระเยซูทรงสอนมาพรอเจริญของพระเจ้าปรากฏอยู่ในหนึ่งโคริมบทที่สามข้อสิบเอดถึงสิบห้าครับเพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้ว นอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยสุคริตมรากนั้นถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคําเงินเพชรพลอยไม้หย้าแห้งหรือฝังการงานของแต่ละคนจะได้ปรากฏให้เห็นเพราะวันเวลาจะให้เห็นได้ชัดเจนเพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ผู้นั้นก็จะได้ค่าตอบแทนถ้าการแรงงานของผู้ใดถูกเผาไห้ไปผู้นั้นก็จะถาดค่าตอบแทน ตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟเจ้าครับในวันที่พิพากษาเราจะไม่ถูกพิพากษาเนื่องจากความบาปของเราเพราะว่าฮีบูบทที่สิบข้อสิบเจ็ดบอกว่าพระเยซูไม่ได้ทรงจดจําความบาปเราอีกเมื่อทรงให้ใครเราแล้วพระองค์จะทรงให้พิพากษาตามงานกับตามงานที่เราได้ทําและสิ่งที่เราได้ทําหรือไม่ได้ทําในโลกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูจะพิพากษานั่นสําหรับ คริสเตียนก็คือการตกรางวัลครับการให้รางวัลต่างหากนะครับเพื่อที่เราจะได้รับตามสิ่งที่เราทำนะครับผู้ที่ผู้นำที่ฟังพระเยซูในวันนั้นนะครับภายหลังกับกล่าวโทษพระองค์จนพระองค์ต้องถูกตึงบนแม่งเน็นพวกปณิสีเหล่านี้นะครับปฏิเสธคำสอนของพระองค์อย่างสิ้นเชิงความมั่งมีและความรู้สึกตัวเองว่าตัวเองชอบทำเหนือคนอื่นของพวกเขา เป็นเหมือนบ้านม่านบางังตาพวกเขาครับจากความเข้าใจของเขาว่าพระเยซูเป็นใครพี่น้องครับถามเราเองนะครับว่าเรารู้จักพระเยซูจริงๆแล้วหรือยังเรารู้จักพระเยซูจริงๆแล้วหรือยังอย่าให้ความมั่งมีของตัวเองอย่าให้ความรู้สึกว่าตัวเองนั้นดีตัวเองเป็นคริสเตียนตัวเองทำสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนจะดี เป็นม่านบางตาของพวกเราอาเมน